โบเป็นไงโบปฏิบัติเป็นไงมั้งดีแล้วใช้ได้แลนะอ่ะดีแล้วแหละทําเป็นงนะั้นแหละคือการปฏิบัติหนะ้าเราชอบคิดว่าต้องทำอย่างโง้นทาอย่างนี้เราไม่รู้ว่านั่นหลงหลงความปรุงแต่งนี่ถ้าไปจับแก่นมันได้นะง่ายก็ไม่ได้ทําอะไรเลย ขอตัวเองไม่ออกดีละดีละใช้ได้นะรู้สึกไหมว่ามันรู้สึกตัวบ่อยอรู้สึกไหม ใ, หใจมันเบานะนเบามันโล่งจิตที่มันเบามันก็เป็นกุศล น, นะนะมันโล่งมีปัญญารู้เนือ้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจนั้นะรู้ไปไง่ายๆนะมันค่อยเปลี่ยนไปเองนะนล่นนกจะใจแข็ ง, ขง คือใจเรามันเหนื่อยมันท้อแท้กับโลกปัญหามันเยอะมืออยากหนีใจมันก็น้อมหลบเข้าไปข้างในนี่เราใจแข็งๆจิต ใ, ใจเนี่ยิ่งเราหลบนี่ยิ่งอ่อนแอนะเราจะยิ่งรู้สึกหมดความเชื่อมั่นการทำใจเข้มแข็งไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆอะปัญหาของชีวิตผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีปัญหาคงที่นะใจเราไม่พอใจในสิ่งที่เราพบเราเห็นเราพยายามปฏิเสธพยายามดิ้นรนนี้พอดิ้นไม่หลุดเราก็ท้อแท้ใจเหนื่อยนายไม่อยากจะรับรู้มันเป็นวิบากเลยนะปรับมุมที่มองหน่อยหนึ่งจิตใจเราจะได้เข้มแข็งขึ้น มองในแง่งว่ามันเป็นวิบากแลนะนะทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยมันยุติธรรมสําหรับเราแล้วสลันไปทําดีอยู่แล้วนะบุ๊กก็ดีแล้วบุอย่าไปทําอะไรบุ ก, ก็รู้สึกแปนะเออยโอนี่เมื่อกี้ใจไหลไปรู้ไหมรู้เห็นไหมพอรู้แล้วห้ามขยับหมายถึงว่าอย่าไปขยับอะไรข้างในนพอรู้ว่าหลงนะอย่ามาขยับยจิตใจรู้สึกไหม พอเรารู้ว่าหลงเนี่ยเราจะรีบปรับให้มันนิ่งๆแข็งๆขึ้นมาอย่าไปทําตรงนั้นนะพอรู้ว่าหลงแล้วจบอยู่ที่รู้เลยอย่าขยับอะไรต่อไฟเลยไฟเล ย, ย เ, ลยยเลยนี่ยเริ่มทำแนละ้วดูออกใช้ไหมพอรู้ว่าหลงก็เริ่มทําขึ้นมาอุ๊ยพวกนี้เรียนเก่าแก่ไว้จึดข้างหน้ากันหมดเลย <laughs> ดีนะของคุณดีแล้ ว, ลวใช้ได้เลยแสงคุณสุนันไปหลายลีแล้ว <c oughs> คุณสุนันจะขยันเยอะไปหน่อยจริงๆเราง่ายๆปล่อยนะปล่อยคือเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากลักระทบแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมดาะคือไม่แทรกแสงตั้งแต่เริ่มตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบนี้ก็ไม่เข้าไปแทรกแสง นักปฏิบัติส่วนมากจะแทรกแฝงเช่นจะดูอะไรก็ไม่ค่อยจะอยากดูกลัวไม่กล้าดูไม่กล้าฟังไม่กล้าดมไม่กล้าลิ้มรสไม่กล้าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พยายามห้ามตัวเองสารพัดเลยพวกนี้กลัวมากไปถ้าเราไม่กลัวตาเรามองเห็นก็เห็นไปยินทรียสังวรไม่ได้แปลว่าไม่ดูะยินทรียสังวรหมายถึงเราไปดูนั่นแหละเราไปฟังนั่นแหละเราไปคิดนั่นแหละ แล่วความรู้สึกกุศลนะกุศลหรือไอความยินดียินร้ายอะไรเกิดนะเรารู้ทันมันเอาแค่นั้นเองจะง่ายงายการปฏิบัติจะง่ายสุดๆเลยถ้าทำอะไรให้ยากยากก็ยากไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราไปหลงความปรุงแต่งสายกุศลนะสมสมพงดูออกไหมดูจะความปรุงแต่งสายกุศลออกไหมความปรุงแต่งสายกุศลทำแล้วดีไม่ดีนะ ดีเหมือนกันได้เป็นคนดีเป็นเทวดาที่ดีเป็นรมที่ดีเนี้ยเนี้ยทำหเหมือนกันแล้วใจมันไหลไปไหลไปรู้ว่าไหลไปไม่ดึงไม่ไม่ขยับนะข้างในเนี้ยพอเรารู้ว่าหลงเนี้ยนะข้างในนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวเพ่งนิดเลยหลังจากการรู้ว่าหลงไ ม, ไม่ดึงดึงนะั้นไม่อกุศลมีโลภะนะถึงได้ดึงนะไม่ดึง รู้จับใจลอยหรื อ, อยังนะเออดีนะต้องอย่างนี้รู้สึกไหมว่าพอ ร, รู้ทันนะใจโล่งขึ้นมาเลยใจว่างสว่างโล่งเบาขึ้นมาเลยทาภาวะนี้ให้เกิดบ่อยๆภาวานี้จะเกิดได้บ่อยถ้าเรารู้บ่อยๆแต่ห้ามนั่งเฝ้านะถ้านั่งเฝ้ามันหุบเลยแทนที่จะเบ่งบานขึ้นมาเนะี่จะหุบไปเลยก็เกิไปนั่งเฝ้าเอาไว้เนี่ยหนีไปแล้วทราบไหมอย่างนี้หลงนะหลงเข้าไปดูข้างในยยดูออกไหม หลงไปในโลกของความคิดโลกของข้างในนะเคยฝึกมาแนวไหนหอะไรนะหลายแนวเนอะเรียนหลายแนวเนาะเรียนหลายแนวยากเรียนหลายแนวก็ไปที่หนึ่งก็บอกให้ทําอย่างหนึ่งไปที่หนึ่งทำอย่างลําบากแล้วแต่ละแห่งก็อ้างคำภีรเล่มเดียวกันซะด้วยนะ คล้ายๆหนังจีนมีคำพีเล่มเดียวกันแหละแต่ว่าฝึกวิทยายุทธออกมาหลายขแขนงเลยนะเคยอ่านมังกรหยกไหมนะไอตัวอะไรที่มันเช่าอ น, นิ้วจิ้มหัวกระโหลกอะนะ <laughs> <laughs> มันไปจิ้มหัวกระโหลกเขานะมันก็ใช้คำพีที่ตักหม้อแต่งอะใช่ไหมใช้เก้าอิมจีนเกงเหมือนกันอะงั้นพวกเราก็เรียนพระไตรปิฎกหนะ้า เรียนออกมาแล้วก็ฝึกวิชามานสำเร็จนะไม่อ้างคำพีเดียวกันทั้งหมดแหลนะมีใครบ้างไม่อ้างสติปัฏฐานนะมีใครไม่อ้างอริยสัจเสร็จแล้วได้ฝึกสำเร็จเจาะหัวกระโหลกพร้ <c oughs> อมกันอย่างน ะ, ะถื อ, อว่าพร้อมละนะ เมื่อเช้าพูดถึงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมากเลยเป็นพิเศษก่อนท่านจะประนิทานเนี่ยคือเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องเรียนเรียกว่าไต ร, รสิกขาสิกขาแปลว่าต้องเรียนแปลว่าศึกษานั่นเองสิ่งที่ต้องศึกษาในทางศาสนาพุทธมีสามอย่างอันแรกคือศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลอันที่สองจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตของเรา ทำไงจะเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิอันที่สามเป็นปัญญาสิกขาทำยังไงเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็หลุดพ้นได้พ้นจากทุกได้ฉั้นบทเรียนสามบทต้องเรียนนะเรียนแล้วเรียนอีกเรียนทุกวันวันใดเป็นพระราหันต์ถึงจะเลิกเรียนนอกกนั้นต้องเรียนหมดเลยาะนั้นมาที่นี่จะได้ยินพูดซ้าไปซ้ำมาซ้าไปส้ำมานะ อย่านกมาเรื่อยๆเขาจะยินเหมือนเดิมทุกวันพระเจ้าท่านก็เทศเหมือนเหมือนกันเนะ่ยช่วงใกล้ผลินิพพานจะมาย้ำสิ่งเหล่านี้มากเพราะถ้าเราศึกษาได้เราเข้าตัวรอดได้ศีลสิกขาเราจะเรียนว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนศีลสิกขาก็คือทําไงจิตใจของเราจะเป็นปกติจิตใจของเราจะเป็นธรรมดาไม่ถูกกิเลสครอบงําไม่ถูกกิเลสลากเอาไปทํากรรมชั่วต่างๆ ปกติเราได้ยินเรื่องศีลเราก็คิดถึงศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดนะอันนั้นเป็นศีลเหมือนกันแต่เป็นศีลข้างนอกเป็นศีลภายนอกคอยควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจานักปฏิบัติต้องเรียนศีลอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอินเซียสังวรศีลอินเซียสังวรศีลมีข้อเดียวไม่ได้มีห้าข้อไม่ได้มีแปดข้อสิบข้อมีข้อเดียวก็คือทํำยังไงจิตใจจะไม่ถูกกิเลสครอบงํา พระพุทธเจ้าสอนนะในพระไตรปิฎกเล่มเกนะ้า ส, สูตรที่สองก็มีละสามัญญาผลสูตรเรื่องอินทรีย์สังวรสอนพระเจ้าชาติสตรูอินทรียสังวรหมายถึงให้เรามีสตินะเวลาตาเรามองเห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ดูให้ดูให้ฟังนะจิตใจเราทํางานอะไรก็ปล่อยให้มันทําไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมมันแต่ว่าพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมา เรีย อ, อาภิชาและโทมนัตก็เกิดราคาากระกับโทสะนั่นแหละนะเกิดยินดียินร้ายหน้าที่ของเราก็คอยรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นที่ใจเราเห็นไ้ยเริ่มต้นศีลก็เริ่มมาดูที่ใจแล้วในศะีลห้าศีลแปดเลยไปขอขอเข้ามา น, นี่ศีลศีลจริยธรรมนะเพื่อจะอยู่กับโลกแต่ศีลของนักปฏิบัติอยากข้ามพข้าชาติข้าโลกเนี่ยนะมีสติรู้ทันใจของเรา เมื่อเวลาตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งนะกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันในะีกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนเราคุยทีแรกสนุกมากเลยเพลิดเพลินเนี่ยถ้าเราเห็นเลยว่าความยินดีพอใจเกิดขึ้นเราจะไม่หลงเราจะคุยอย่างรู้เนื้อรู้ตัวมีสติไม่หลงไปหรอกนะคุยไปคุยไปบางทีเพื่อนขัดคอเราโกรธ นะถ้าเรามีอินเสียสังวรเนี่ยเรารู้ว่าโกรธเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเราเนี่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราได้กิเลสจะครอบงําใจไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงสอนอินทสียสังวรบอกว่าเมืนะ่อตามองเห็นเนี่ยความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นนะให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยให้รู้ทัน หากไม่รู้ทันเนี่ยกิเลสจะครอบงําใจท่านสอนอย่างนี้เฉนั้นให้เรารู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้จิตใจเราจะเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกกิเลสลากเข้าไปอันนี้เรียกว่าจิตใจของเรามีความเป็นปกติที่มีศีลของนักปฏิบัติแล้วหรือเวลาเราอยากปฏิบัติธรรมความอยากจะปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นในใจพออยากปุ๊บรีบทําใหญ่รีบกําหนดใหญ่รีบเพ่งใหญ่ ให้เรารู้ทันนะว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจแล้วอยากปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วนะความยินดีพอใจที่จะปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะครอบงำใจเรานะทำให้เราเกิดพฤติกรรมตั้งมากมายเช่นทำขืมขืมเหมือนสลันตอนนี้นะนี่ถูกกิเลสครอบงานะเป็นตัวอย่างอยากปฏิบัติมากเลยนะนึกนึกว่าเทมาก นจริงไม่ได้เรื่องเลยถูกิเลสหลอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนถึงกระทั่งจิตใจของเราเป็นธรรมดาจิตแจของเราเป็นปกติให้คอยมีสติรู้จิตรู้ใจตัวเองไว้กิเลสเกิดขึ้นรีบรู้ไปเรื่อยกิเลสเกิดตอนไหนกิเลสเกิดหลังจากที่ตามองเห็นหลังจากหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหลังจากกายสัมผัสหลังจากใจคิดได้ปรุงแต่งกิเลสมันเกิดหลังการกระทบ อารมณ์เวเกิดหลังผัสสะแทรกตัวตามเวทนากระทบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาราคะก็เกิดกระทบแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาโทสะก็เกิดนี่ให้เราคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตใจเราจะเป็นธรรมดาธรรมดาโปรงโลง่ลงไม่มีอะไรแทรกแซงครอบงําเป็นตัวของตัวเองได้นี่แค่ศีก็ยากแล้วใช่ไหมเอเรียนเรื่องสีนั่นเดียวก็ยากแล้วเรียนความจริงเรียนเรื่องสีนั่นเดียวก็ได้หมดแล้ว นะทันทีที่ใจเราไม่ถูกกิเลสครอบงาใจเราก็ตั้งมั่นแนละ้สัมมาสมาธิก็เกิดแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่เดี๋ยวปัญญาเขาเกิดคือใจเราตั้งมั่นนี่เขาอยู่กับเนือ้อกับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นเราก็รู้กายรู้ใจได้การตามรู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือปัญญาสิกขานะงั้นหัดศีลตัวเดียวยังได้หมดเลยแต่ถ้าศีลห้าล่ะอย่างนี้ศีลลาบาก ศีลอาณาถาเราไปขอมาก่อนไปขอมาจากพระใช่ไหมขอแล้วเดินไม่ทันพ้นบ้านเลยหล่นไปแล้วเราคุยกับเพื่อนเมาเคลิ่นไปฟุ้งซ่านนะเกิดมิจฉาวาจานะพูดเฟอร์เจอร์ไปแล้วนะคือยากเห่นไหมแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยวุ้ยมันอยากคุยกับเพื่อนละนะเมาใกล้จะแตกแล้วนะรู้ทันเนี่ยศีลเกิดขึ้นเองเลยนะหรือบิวเจ้าชู้ มีแฟนแล้วก็ยังอยากมีอีกเห็นสาวเนี่ยเกิดใจเรารู้ทันว่าราคาเกิดเนี่ยเราไม่ผิดศีลแล้วไม่ไปหลอกลวงสาวที่ไหนอีกนี่ตัวอย่างเพรั้นศีลก็สําคัญนะเรียนให้รู้เรื่องถ้าเราจิตใจเราเป็นปกติเรามาเรียนบทเรียนที่สองเรื่องจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าศีลศีลสิกขาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงํา จิตสิกขาล่ะมีวัตถุประสองค์อะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลนะไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอากุศลส่วนใหญ่พวกเราเวลาปฏิบัตินะพวกยิ่งชอ บ, บนั่งสมาธิอย่างนี้นั่งเอาเคลิมเคลิมเคลิมจิตหลงหลงจิตมีโมหะจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอากุศลอย่างนี้ใช้ไม่ได้ หรือนั่งเราเห็นโน่นเห็นนี่นี่จิตฟุ้งซ่านนี่จิตไปหลงอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอกุศลเห็นผีเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่ไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่เอานะเราจะมาเรียนจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยมีสองวิธีวิธีมาตรฐานที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือการทำฌานฝึกไปรู้อารมณ์ที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ย รู้อารมณ์ที่เป็นบัญญัติอย่างถูกต้องจิตใจก็ค่อยรวมเข้าไปตามลําดับลําดับพวกเราฝึกยากเราเป็นชาวเมืองงั้นวิธีนี้ฝึกยากเราก็เว้นไว้เราเอาอีกวิธีงที่พอทําได้เป็นวิธีของพวกวิปัสสนาญาณิกอันแรกเป็นวิธีของสมถญาณิกคือทาําฌานขึ้นมาจนกระทั้งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเสร็จแล้วพอจิตถอยออกจากฌานก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มี เมื่อกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้นิ่งๆตอนนี้ไม่นิ่งเนี่ยเป็นการศึกษานะทำสมาธิประก่อนแล้วตอนถอยออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาในทันทีที่ออกจากสมาธิเนี่ยจะต่อกับปัญญาสิกขาเลยนี่คือสายของพวกที่ทำฌานนะแต่ว่าถ้าประเภทวันนี้นั่งสมาธิจิตสงบแล้วถอยออกมาเลิกนอนเลยนะพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอีกแ ล, แล้วนั่งใหม่สงบใหม่แล้วก็นอนอีกแล้ว ก็จะทิ้งปรเล็กปล่าๆเสียประโยชน์นะเพราะงั้นถ้าใครทําแนวของสมถะญาณนี้ก็ทําสมาธิไปจิตสงบแล้วจิตเป็นหนึง่งไม่ไวอกแวกไปที่ไหนเลยนะพอจิตถอยออกจากสมาธิเราจะเห็นเลยว่าจิตที่เคยสงบเริ่มไม่สงบจิตที่มีสุขเริ่มไม่สุขมีปีติเริ่มไม่มีปีติอะไรเงี้ยจะเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเป็นของเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวปัญญาปัญญาจะให้เห็นกายเห็นใจของตัวเอง เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ท้านแนวของอวิปัสสนาญาณิคทำยังไงพวกเราทำฌานไม่ได้เราใช้สติแล้วะเมื่อกี้เราใช้สติทำให้เกิดศีลมาแล้วคือมีสติรู้ทันกิเลสความยินดียินร้ายที่เกิดที่ใจใจก็เป็นปกติมีศีลคราวนี้เราใช้สติเนี่ยรู้ทันใจของเราที่มันหลงไปมีตัณหานะเมื่อกี้มีกิเลสนะคราวนี้มีตัณหาคือทยานไปทางตา ทะยานไปทางหูทะยานไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะจิตเราทะยานไปทางไหนให้คอยรู้ทันไหมนะอันนี้หลวงปู่ดูลสอนบอกอยาส่งจิตออกนอกคืออยถูกตัรหาหกตัวครอบงำคืออยากดูรูปอยากฟังเสียงนะอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสนะแล้วก็อยากทำงานทางใจให้เราคอยสังเกตจิตใจเราถูกความอยากครอบงำแล้วก็ลากให้เราวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ขณะที่มันวิ่งไปทางตาเช่นมันวิ่งเห็นคนเดินมามันวิ่งไปดูสังเกตไหมตาเราไปดูคนอื่นเราเห็นคนอื่นเราลืมตัวเราเองเนี่ยจิตใจพอไม่มีสัมมาส ม, มาธิคือไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจได้ได้ยินข้างบ้านคุยกันเราก็ใช้ทิพโสตเงี่ยหูฟังนะฟังไม่ได้ยินดูคนในบ้านอีกทําเสียงดังเงียบๆ น, นะใช้ทิพโสตฟัง เขาคุยอะไรกันขณะที่ฟังเขาคุยกันลืมตัวเองอีกแล้วเพราะฉะ น, นั้นให้อคอยรู้ทันนะอย่าทิ้งตัวเองอย่าลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองทำนี้ปััสนาไม่ได้สมาสมาธิถึงเป็นเหตุใกล้ของปัญญาถ้าขาดสมาสมาธิสักตัวเดียวปัญญาเกิดไม่ได้เพราะว่าเราลืมกายลืมใจของตัวเองนี่ทางตาทางหูเวลาเราทานของอร่อยเห็นเก่งไหมบางคน หนีไปเกิดอยู่ในจานข้าวใจถลำลงไปอู้มันมากเลยเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินได้กลิ่นนะได้กลิ่นหอมหอมอู้ดมเห็นไหมดอกน้นก็หอมนี่ตรงนี้มีลินลี่ลินลี่หอมชื่นอกชื่นใจลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองว่ากาลังเกิดราคะอยู่ชอบมันเนี่ยลืมตัวเองเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ทํามีปัตสนาหรือไม่ได้เจริญปัญญาสิกขา นะวิปั ส, สนายคือปัญญาสิกขานี่ยเองนี้บางทีให้การหลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยดูง่ายนะเช่นยุงกัดคันใช่ไหมคันคันโมจะสนใจเรื่องคันเนี่ยลืมตัวเองนะลืมลืมกายลืมใจลืมความรู้สึกของตัวเองเช่นคันคันแล้วโมโหยุงไม่เห็นว่าโมโหตบคุ้เาให้นะเป็นการสั่งสอนฐานลักทรัพย์ รู้สึกว่าโทษรุนแรงนะรักทรัพย์นี่ประหารชีวิตเลยนี่การหลงทางตาหลงทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดูง่ายการหลงทางใจดูยากนะหลงทางตาง่ายเห็นเขาเดินมาดูเขาลืมตัวเองหลงทางใจนี่นะมากมายมหาศาลนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดอย่างเกรงใจนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยหลงทางใจ อย่างเวลาเรากาหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยสัง เ, เกตไหมพอเราขณะที่กำหนดลมเนี่ยก่อนจะกำหนดลมเนี่ยอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติไม่เห็นหอกว่าอยากนะก็ทำเป็นขึ้มๆก่อนเนี่ยพวกตั้งท่าทำให้ดูนะพออยากปฏิบัติทำขึ้มนะต้องหลับตาหน่อยถึงจะดีนะแล้วก็นั่งจ้องอยู่ข้างในนะดูลมหายใจเนี่ยจิต ก, ก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ บางคนดูท้องฟองท้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องะบางคนขยับมือะขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือบางคนเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเนี่ยจิตไหลไปหมดเลยะบางคนรู้ว่าไหลไปไม่ดีรึงความรู้สึกไว้นะรึงความรู้สึกไว้ที่กายทั้งกายเลยกระดูกกระดิกนี่รู้หมดเลยะแต่รู้ด้วยใจที่แข็งแข็งทื่อๆเพราะฉะนั้นใจที่แข็งแข็งทื่อๆต้องเรียนเหมือนกัน มันเป็นจิตอกุศละจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งมันโล่งมันเบามันนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ถือ่อไม่ซึมถ้าปฏิบัติแล้วซึมซึมเมื่อไหร่เราก็รู้ตัวนะว่าอากุศลเกิดแล้วเพราะฉนั้นต้องเรียนไงจิตศิกขาเนี่ยมีเรื่องใหญ่ๆ อ, อ, อยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือให้รู้จักว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงนี้หลักของจิตศิกขาก็คือว่าต้องตั้งมั่นในฝ่ายกุศลด้วยเพราะฉั้นเราก็จะมาเรียนว่าอารมณ์ฝ่ายกุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไง อันแรกนี้เรากําลังเรียนในจุดที่ว่าจิตหลงไปทางตาจิตหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตหลงทางใจเได้มีหลายแบบมากยกตัวอย่างนั่งเฉยเฉยเผลอไปเลยใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างใจลอยนี่แ ห, หละเผลอสุดขีดเป็นการหลงทางใจสังเกตไหมตอนที่ใจลอยรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ตอนที่ใจลอยรู้ใจตัวเองไม่ได้ เรียกว่าหลงสุดขิดหลงทางใจอย่างที่สองหลงคิดขณะที่คิดสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองเนี่ยขณะนี้นั่งฟังไปคิดไปรู้ไหมเนี่ยเรากำลังฟังฟังหน่อยหนึ่งแล้วคิดยาวๆรู้สึกไหมเห็นไหมเราเป็นหลงคิดเราไม่เคยเห็นเลยว่าใจเราหนีไปคิดอยู่งั้นต้ค่อยเรียนนะใจหลงไปคิดก็ใช้ไม่ได้ เนี้ยเนหลงอย่างเงี้ยหนีไปแบบเนี้ยนะหนีไปคิดนะพันหนีไปคิดแล้วเราลืมตัวเราเองเใช่ไหมเหมือนเราหายไปจากโลกเลยเวราจะต้องเรียนจะกระทั่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปเนี้ยเนี้ยหลงละดูออกไหมมันหายไปช่วงหนึ่งสั้นๆลืมตัวเองไปช่วงหนึ่งนะคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยคุณเสื้อดําเมื่อกี้มันหลงคิดหนีแวบแป๊บแแ๊ไป มันหลงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนจิตสิกขายากมากนะเรียนจนกระทั่งจิตเราตั้งมั่นมันยากจริงๆเพราะบางคนไปทําฌานตั้งหลายปีกว่าจะได้ฌานจิตสิกขาเลยเรียนกันนานแต่ว่าเราเรียนเรียนทางรัทธเนี่ยพวกชับเรียนรัทน์ใช้สติเนี่ยรู้ทันใจที่มันไหลไปมันหลงไปเนี่ยเนี่ยมันหลงอย่างเนี้ยยังหนีอยู่ทราบไหม อ, อย่าอย่าหลงไปอย่างนั้น เนี่ยหลงอีกแล้วทราบไหมอย่างนี้ก็เรียกหลงนะเนี่ยค่อยรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้นะไม่งั้นเรียกหลงหมดเลยเนี่ยหลงคิดอีกแล้วทราบไหมพอจะดูออกไหมเนี่ยยังไม่เลิกนะ <c oughs> ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องรู้สึกตัวเลยตัวนี้หลงทั้งนั้นเลยเอ่ยต้องค่อยๆรู้สึกขึ้นมานะดูออกไหมมันจะขยับเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะจะขยับเข้าไปคิดนะ ไ่รู้ทันมันตัวนี้เรียนยากเนี่ยคุณเสื้อดำสังเกตไหมที่ก็หลงเข้าข้างในแล้วก็ลืมไปนิดหนึ่งเนี่ยรู้ทันมันลงไปทีลักษณะทีลักษณะมันจะหลงหนานาชนิดเลยหลงทางใจนี่ทําได้หลายแบบนะพวกที่นั่งคืมๆอย่างนี้ก็พวกหลงทางใจเพราะว่าตัณหาอยากปฏิบัติเกิดแล้วมองไม่เห็นนะก็นั่งบังคับใจตัวเองไปเรื่อยๆนะโยู่เนะไม่บังคับมัน มันบังคับมันมา น, นานแล้วปล่อยมันนะให้อิสระภาพมันเพรานเราจะเรียนนะค่อยๆสังเกตไปจิตที่มันไม่ตั้งมัน่นอันนี้ต้องใช้เวลาหัดนะเบื้องต้นเลยเอาง่ายๆที่สุดเลยก็คือเวลาใจลอยเวลาเผลอไปรีบรู้ไวๆวันๆะหนึ่งเราใจลอยบ่อยไหมใครใจลอยใครรู้จักบ้างนะสองคนนะั้นรู้จักใจลอยไหมบางคนบอกไม่รู้จักนะรู้จักจเมอ เอแล้วแต่ภาษานั่งเมอเมอไปอะไรเนี้ยหลงไปนั่นแหละงั้นพอเราหลงไปเรารีบรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวเผลอไปแล้วเผลอไปแล้วแต่ว่าพอรู้สึกนะอย่าไปดึงมานะอย่าไปดึงจิตเราไหลไปแล้วอย่าไปดึงคืนอย่างนี้ก็ผิดอีกนะโยเข้าใจไหมตรงเนี้ยไหลไปแล้วไหลแล้วแล้วไปจิตที่ไหลเป็นอกุศลดับไปแล้วจิตที่รู้ได้เกิดขึ้นแล้วะแล้วจิตดวงใหม่กําลังเกิดโลภะอีกแล้วอยากเอาคืน เนี่ยเมื่อกี้บันยากปฏิบัติทราบไหมนะดูไปเอาสมมุติว่าเรียนผ่านอันนี้แล้วนะเรียนจะรู้จักจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามาเรียนเพิ่มอีกหน่อยจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีองค์ประกอบหรือมีเจตสิกฝ่ายกุศลที่เป็นสาธารณะหมายถึงทั่วๆ่วไปเนี่ยะเจตสิกทั่วๆไปของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเราควรจะรู้จักซะหน่อยจิตที่เป็นกุศลเนี่ย มันจะมีความสงบระ ง, งับหมายถึงว่าพอมันไปรู้อะไรแล้วไม่ปรุงแต่งต่อจบอยู่แค่รู้แล้วเลิกเลยส่วนมากเรารู้แล้วเราชอบวิภากษวิจารณ์ตัวนี้คือชื่อนี้มีลักษณะอย่างนี้มันทำอย่างนี้มันก่อเรื่องนี้มันไม่ดีอย่างนี้จะต้องละมันให้ได้เรียกว่าไม่มีความปัดจธิไม่สงบระ ง, งับมีแต่ฟุ้งต่อจิต ท, ที่เป็นกุศลนี่จะเบา มีลหูตาเบาๆถ้าเมื่อไรปฏิบัติแล้วรู้สึกหนักนะไม่อนั้นหยุดเลยจิตทีห่หนักๆแข็งๆ แ, แน่นๆอยู่ข้างในเนี่ยะเป็นอกุศลจิตที่เป็นมหากุศลอย่างเวลาสังเกตไหมที่อาจามาไล่เม่อ ก, กี้เนี่ยพอรู้สึกตัวรู้สึกไหมเหมือนๆเบาๆขึ้นมาเบานั่นแหละคือจิตที่เกิดกุศลขึ้นมาจิตที่เป็นมหากุศลและจิตนั้นมีละหูตามีความเบาแล้วรู้สึกไหมมันไม่ใช่เบาอย่างเดียวมันนุ่มนวลด้วยนะ มันมีมุทุตามันนุ่มนวลมันอ่อนโยนนะสังเกตไว้มันไม่ซึมไม่ซึมไม่ถือ่อมันเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกกิเลสหลอก เ, เรียกว่ามันมีความควรแก่การงานให้จิตถูกกิเลสหลอกให้ปฏิบัตินละ้ไม่ควรแก่การงานแล้วตอนนั้นมีความม่องไวไม่ซึมไม่นิ่งๆอยนะูแต่เปรียวปราดเปรียวคล่องแคล่วคล่อ ง, องตัวนะเรียกว่าป่ากุนตามิชุกตา ทำหน้าที่รู้อย่างซื่อตรงไม่ใช่ทําหน้าที่เข้าไปยึดด้วยของเราเพอ ร, รู้เราชอบไหลไปเกาะนจิตที่มันเป็นกุศลมันจะไม่หลงเข้าไปเกาะอะไรอะอย่ารู้ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้อย่างซื่อๆนะคุณทุ น, นันตื่นๆ น, นะเห็นไหมสามีแซงไปแล้วเดี๋ยวตามก็ไม่ทันเดี๋ยวเกาะชายกิวลอนไม่ทันส่วนจิตที่เป็นอกุศลนนะั้น เด็กหนักๆแข็งๆซึมๆทื่อๆหรือฟุ้งซ่านเจออะไรก็ไปแทะแทงไปเรื่อยๆนั้นจิตเป็นอกุศลาสมมุติว่าเรียนจบแล้วนะงนั้นเดี๋ยวไปถึงปัญญาเดี๋ยวเอาหนังสือไ้อ่านเอาเองนะนี่เป็นไกด์ไลน์นะนี่สมมติว่าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะมาเจริญปัญญาล้วปัญญาคือการตามรู้กายรู้ใจ เราจะรู้กายรู้ใจได้จิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะเพราะฉะนั้นก่อนจะมาเจริญปัญญาถึงต้องเวียนเรื่งอ ง, งจิตสิกขาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวคือไม่หลงไปในโลกทางความคิดทางตาทางหูทางใจเกิดความรู้สึกตัวใจมันจะโล่ ง, ลง au, ๆเบาๆอย่างตะเคี้ยนนะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะสติเกิดไปะระลึกที่กายนะก็ได้ไปะระลึกรู้ที่ใจก็ได้ เพ น, น้ต้องรู้กายรู้ใจนี่คือกฎข้อที่หนึ่งต้องรู้กายรู้ใจกฎข้อที่สองต้องรู้ให้เป็นนะการจะรู้ให้เป็นก็คือก่อนจะรู้เนี่ยอยา่าอยากรู้นะถ้าอยากรู้หมายถึงว่าจิตไม่มีสีแล้วผิดปกติแล้วมีความอยากครอบงำแล้วนะสูกิเลสครอบงำเพราะนั้นก่อนจะรู้เนะี่ยไม่ต้องมีให้ตันหาให้กิเลสอะไรมาครอบงำไม่ต้องตั้งท่าที่จะรู้เช่น อย่าไปนั่งเศ้าใจของตัวเองไหมเส้าไว้ทั้งวันเลยเส้านะใครเข้ามาพูดอะไรฉันก็ไม่รู้เรื่องเลยฉันเฉยเฉยแล้วบอกว่าฉันปฏิบัตินั่นนั่นหลงอยู่ส่วนนักปฏิบัติเหรอเขาด่าถูกเขาด่าเห็นได้ความโกรธแหมมันพุ่งเป็นริ้วๆเลือดขึ้นหน้ารู้เลยรู้อาการที่ปรากฏเลยไม่ดักไว้ก่อนแต่พอถูกด่าปุ๊บความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาถ้าดักไว้ก่อนความโกรธจะไม่เกิดขึ้นมามันจะนิ่ง เราไปเพ่งไว้คล้ายๆเราไปข่มกดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นก่อนก่อนจะปฏิบัติเนี่ยอย่าตั้งท่าอย่าเตรียมตัวนะโยต้องระวังเรื่องตั้งท่าเตรียมตัวปฏิบัติทําขึ้นขึ้นทำใจให้มันผิดธรรมดาเพราะงั้นอย่าไปตั้งท่าขึ้นมาระหว่างการรู้ละ่ะระหว่างรู้เนะี่ยอย่าถลําลงไปปกติเวลาเรารู้อะไรเราจะถลําลงไปใจเราจะไหลลงไปตรงนั้นเช่นเรารู้ลมหายใจ เกิดสติไปละลึกรู้ลมหายใจนะจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราเดินจงกรมเท้าก็ทบพื้นทุ๊บจิตไหลไปอยู่ที่เท้าแล้วบางทีหรือคิดอะไรใจก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดไปรู้เรื่องที่คิดลืมตัวเองให้จิตถลําไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปเพราะฉะนั้นะเราเคยฝึกจิตสิกขามาแล้วเราเอามาใช้ตอนนี้นะไหมสีลสิกขาเราก็ามาใช้แล้วนะคือไม่ทํำข้อตันหาครอบงำบงการให้เราปฏิบัติ จิตสิกขาก็คือระหว่างที่รู้อารมณ์เนี่ยใจไม่ถลำลงไปะจะสักว่ารู้อารมณ์เหมือนเราดูอยู่ห่างๆนะเทียบก็คล้ายๆเราไปดูคอนเสิร์ตดูอะไรเงี้ยเราดูอยู่นอกเวทีอย่าโดดเข้าไปอยู่ในเวทีไปเกกะเขาหรือเราไปยืนอยู่ริมแม่น้ําริมคลองนะยืนอยู่บนบกเราเห็นอะไรไหลผ่านหน้าไปเห็นเขาลอยกระทงสวยๆผ่านไปเห็นหมาเน่าลอยมาอีกตัวหนึ่งหมาเน่าก็ลอยไป กิเลส ท, ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ไปกูโซทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ไปเรายืนอยู่บนบกเราดูเฉยๆอย่าถล่มลงไปแต่ถ้าเราตกน้ําผมว่าตกน้ำหมาเน่ากําลัางลอยมาเราชงโวกไปดูตกลงไปในน้ําลอยไปด้วยกันเห็นไหมมาก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่หายไปไหนอะ่ะเหมือนกับกิเลสเราอะ่ะบางคนมีโทสะเกิดขึ้นนะโทสะเกิดขึ้นเอ๊ะผมดูโทสะอยู่แท้ๆ ท, ทาไมไม่ดับก็ดูไม่เป็นเนี่ยดูแบบถล่มลงไป นะถ้าเคยฝึกจิตสิกขาจิตตั้งมั่นไม่ไม่ไม่ยินเข้าไปข้างไหนนะจะเห็นว่ามันมาแล้วมันไปทันทีเลยนะกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่มีกิเลสอยู่แล้วบอกว่ามีสติอยู่เนี่ยสติตัวนั้นไม่ถูกต้องแล้วนะเป็นมิจฉาล้วไม่ใช่สัมมาสติแล้วนะเป็นอกุศลเรียกสติไปไม่ได้เลยเสียชื่อสติคัามจริงจิตเป็นอกุศลยกตัวอย่างสมมติว่า เราโกรธเพื่อนสักคนนะไหมเราไปนั่งดูที่ความโกรธเนี่ยพอเราเห็นว่าเราโกรธเราเกลียดมันเราไม่อยากโกรธนะไม่อยากโกรธนี่เป็นกิเลสนะไม่เป็นโทสายตัวนั่งดูเมื่อไหรแกจะดับสัทีนะนั่งดูความโกรธด้วยความโกรธความโกรธไม่ดับหรอกเพราะว่ากําลังเติมความโกรธลงไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นใจเราเวลาไปรู้อารมณ์อย่าลงเข้าไปอย่าถลําลงไปเราจะเห็นเลยทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไป พอรู้แล้วก็ไม่ทําอะไร ก, ก่อนจะรู้นะก็อย่าตั้งท่าอย่าอยากจะรู้อย่าให้ตันหาครอบระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้นะมีจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมมาสมาธิไว้รู้แล้วล่ะอย่าฟุ้งซ่านอยําอะไรต่อนะเช่นเห็นโทสะเกิดขึ้นทํายังไงจะละได้นะหรือเห็นจิตใจมีความสุขขึ้นมาทํายังไงมันจะสุขตลอดนะหาทางทำอีกแนละ้วนี่ก็ลงผิดอีกแหละ เพราะงั้นหลังจากรู้แล้วก็ไม่ทำอะไรรู้แล้วจบลงที่รู้กฎข้อที่สามกฎข้อที่หนึ่งก็คือต้องรู้กายรู้ใจนะมีปัชนากฎข้อที่สองต้องรู้ให้เป็นก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงกฎข้อที่สามก็คือรู้บ่อยๆนะไม่ใช่วันหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งนะไม่พอไม่รู้บ่อยๆ ถ้ารู้บ่อยเราจะเผลอบ่อยนะเป็นเรื่องแปลกถ้ารู้น้อยๆก็เผลอน้อยๆถ้ารู้บ <st> <Efendimiz having> <barriers> ่อยๆเผลอบ่อยๆคือเผลอแวบรู้แวบรู้แหมเผลวันนึงเป็นพันพันครั้งหมื่นครั้งพวกปฏิบัติไม่เป็นเผลวันละครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่เคยรู้สักทีหนึ่งเลยเพราะงั้นเผลอบ่อยๆดีนะรีบเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอคือใจเราไหลไปโดยที่เราไม่รู้ทันมัน อย่างขณะนี้มันไหลไปในความคิดหรวบไหมนะมันหลงไปเอาจบแล้วปัญญาสิกขาเอาใครจะถามอะไรเชิญไม่ถามจะได้เลิกปูเป้เป็นไงหายแข็งแข็งยังนะปล่อยให้หมดนะแข็งแข็งไม่เอาแข็งแข็งเป็นอกุศลไม่ใช่กุศล บุญทวีหนีไปเกิดทราบไหมเออนะเราดูเขาเราลืมตัวเองรู้ไหมเนี่ยหลงทางตาดูเขาลืมตัวเองนึกออกห้ือยังหลงทางตาหลงอย่างเนี้ยหลงทางใจเนี่ยก็ไปคิดรู้เรื่องที่คิดนะลืมตัวเองหลงทางตาเนี่ยไปดูเขารู้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายหลอ่อไม่หลอ่อสวยไม่สวยรู้หมดเลยแต่ลืมตัวเองนี่ยหลงจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยหนีแว บ, บหนึ่งทราบไหม นะห้ามไม่ได้นะไม่ได้ฝึกเพื่อจะห้ามด้วยแต่ฝึกเพื่อรู้ทันนะรู้ทันพอทันทีที่มันหลงไปแล้วพอเรารู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาวับหนึ่งนะสั้นๆตั้งได้นิดเดียวเดี๋ยวหลงใหม่ไม่ต้องตกใจต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะเพราะว่ามันตั้งขึ้นมานี้มันเป็นแค่คณิกะสมาธิแวบเดียวนะเนี่ยหลงอีกแล้วซ้ำไหม <c oughs> เห็นไหมเออต้องหัดอย่างนี้นะ ถ้าหาดอย่างนี้ได้ก็จะปฏิบัติได้คือรู้แล้วว่าจิตที่หลงเป็นยังไงจิตที่รู้สึกตัวเป็นยังไงทันทีที่รู้ว่าหลงก็จะเกิดรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวอยู่ได้แวบเดียวเดี๋ยวหลงใหม่เมื่อวานมีหมอผู้หญิงคนหนึ่งมามาเล่าบอกว่าพอเผลอไปก็รู้นะมันอยู่ได้แวบเดียวมันเผลออีกอคราวนี้มันขี่ยิบเลยรู้กับเผลอรู้กับเผลอตลอดเวลาเลย ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันเกิดะระลึกขึ้นได้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเอ๊ะจิตตรงที่รู้สึกตัวเนี่ยนะไม่มีความเป็นเราสักนิดเลยความเป็นเราเกิดตอนที่จิตหลงคิดเท่านั้นเองบอกนั้นถูกต้องละเพราะความเป็นเราไม่ได้มีอยู่จริงความเป็นเราที่รู้คิดว่าเป็นเราเนี่ยเป็นแค่ความคิดในความเป็นจริงแล้วกายกับใจหรือขันธ์ห้าไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่เราไปคิดเอาว่าเป็นเรา การที่คิดว่ากายกระใจหรือขันธ์ห้าเป็นเราเรียกว่าสักกายาทิฏฐิชื่อมันก็บอกแล้วว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นทันทีที่เรารู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดพอจะดูออกหรืยังว่าหลุดจากโลกของความคิดเป็นยังไงพอเราไหลไหลไหลหลเราเผลอไปใช่ไหมพอเรารู้ว่าเราหลงไปคิดปุ๊บเราหลุดออกมาเลยเหมือนเราตื่นขึ้นมาฉับพลันเนี่ยให้ตื่นอย่างนี้บ่อยๆ นะวันหนึ่งสติปัญญามันยังลงไปเห็นโอ้จิตตรงที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีความเป็นเราสักนิดเลยเพราะฉะนั้นจิตตัวมันเองไม่มีความเป็นเรานะความเป็นเราเกิดจากไปหลงคิดเข้าเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจธรรมะนะเข้าใจตรงนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันเพราะฉนั้นรู้สึกตัวบ่อยๆนะถึงจะมีโอกาสเป็นพระโสดาบันหนะลงบ่อยๆไม่มีโอกาสเลยไปนั่งเพ่งเอาไว้ เท่งกี่วันกี่วันก็ไม่มีโอกาสเลยเขาไม่ได้รู้สึกตัวเนี่ยหนีไปคิดอีกละรู้สึกตัวไหมเออเก่งนะเรียนได้เร็วมาจากไหนเคยฝึกมาจากไหนเออฟองยุบก็ใช้ได้นะแต่ว่าเอาจิตที่ตั้งมั่นก่อนพวกเราบางทีพลาดนะไปฝึกฟองยุบไม่เฉพาะฟองยุบนาะฝึกอันไหนก็พลาดง่ายเหมือนกันอะ่ะ พอไปรู้ฟองยุบเปเกณฑ์ไหมใจไหลไปอยู่ที่ท้องเราทำเยลยเราทําฟองยุบใหมยนะเ อ, อไม่แล้วใจเราจะหลงไปอยู่ตรงนั้นไปเกาะอยู่ที่ท้องอ่ะเรากําหนดเลยเรากําหนดดูสิอะไรนะเออถ้าดูอยู่ห่างๆใช้ได้นะอย่าถลําเข้าไปเกาะนะส่วนใหญ่อะที่เคยเห็นนะใจไหลลงไปอยู่ที่ท้อง ใจไหลไปจิตไม่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้หรอกนะต้องเรียนให้รู้จักจิตที่ตั้งมั่นถ้าเรียนจิตที่ตั้งมั่นนะเดินแนวไหนได้หมดเลยนะไม่มีข้อขัดแย้งกันหรอกนิสติก็ห้ามทำให้เกิดนะสติมันเกิดเองมันเกิดเพราะว่ามันจําได้จําสภาวะได้จํารูปจํานามได้สติแปลว่าความระลึกได้มันจะระลึกได้มันต้องเคยรู้จักมาแล้วมันถึงระลึกได้ใช่ไม ถ้าไม่เคยรู้จักแล้วไปรู้ได้ก็คิดได้ไม่ใช่ระลึกได้อยากระลึกได้ก็หัดรู้จักไปเรื่อยนะเนี่ยเผลออีกแล้วทราบไหมหัดรู้จักความเผลอเนี่ยคือหัดรู้จักต่อไปพอจิตมันจําความเผลอได้นะพอมันเผลอแวบไป็นเนี่ยสติเกิดเองเลยโดยไม่ได้เจตนาจะให้เกิดสติที่เกิดเองนะจะโล่งว่างสรงเบาเลยจิตใจขนาดนะั้นกุศลจะพร้อมเลยนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะพร้อมขึ้นมาเลย ก็ต้องฟังไปคิดไปกบเผลอเผ ล, อ, เ ล, อ, เลอในการเจริญสตินะแต่ว่าฟังรู้เรื่องแ้่คนละส่วนกันอันนี้เป็นการเรียนภาคปริยัติภาคปริยัติต้องฟังให้รู้เรื่องแต่ภาคปฏิบัติเนี่ยใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอแต่ว่าฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ได้ฟังเอาเนื้อหางั้นเวลาเราทางานจเจริญสติไม่ได้นะ เวลาทำงานนั้นจดจ่อกับงานคิดไปคิดคิดให้ออกคิดให้รู้เรื่องยกเว้นว่าทำงานที่ใช้กําลังกายไม่ได้ใช้สมองเช่นกวาดบ้านถูบ้านนี้จเจริญสติไปได้เคลื่อนไหวนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยเลยนะทราบไหมที่อาจจะมาไล่จี้ไม่ใช่ะไยจะให้หัดดูหัดให้รู้จักว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไง พอรู้สึกอย่างนี้ได้รู้ตั้งมั่นเป็นแล้วเนี่ยนะเป็นพ้องยุบได้เลยนะไม่มีอะไรขัดกันลนะหรือจะไปทำอาณาปณนาสติจะทำอะไรได้หมดเลยนะเพราะว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยหลงอีกแล้วทราบไหมเออต้องอย่างนี้นะหนีไปตรึกแล้วนะปูเป่เป็นไงดังๆนี้ไมหลวงพ่อแก่แล้ว เออมื่ที่รู้ว่านนขณะที่มันเป็นงเองมันต้องเป็นเองแล้วพอวเนี่ยเป็นัมันมีิ่่ตัวเดียวกันบเกิดร่วมกันอ่าเกิดร่วมกันแล้วมันก็ไม่ใช่พอตัวเอค่ะบุคคลบ่มันไม่ใช่าที่เป็นคทุกอืม คือมันมันจะเห็นเลยว่าภาวะทั้งหลายเนี่ยเป็นความปรุงแต่งล้วนๆเลยเห็น ไ, ไหมทั้งกุศลทั้งอกุศลนั้นก็ของแสงขึ้นทั้งนั้นเลยนะจิตใจก็จะเป็นกลางจริงๆเลยนะกลางจากกุศลอกุศลกลางจากการเข้าไปข้างในหรือหลงไปข้างนอกนะกลางจากสุขจากทุกกลางกลางทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นเข้าไปให้ถึงความเป็นกลางแต่อย่าไปยึดไว้นะยึดไว้ก็ผิดอีก ยึดแล้วก็ทุกข์แหละเราจะถลําลงไปนะคือเมื่อไร่เกิดความหมายรู้นะเกิดเจตนาที่จะหมายรู้นะเรียกโลภเจตนามีโลภเจตนาหรือมโนสัญญะเจตนา <c oughs> เกิดความจงใจหมายรู้ทางใจใจิตหยั่งเข้าไปปุ๊บหลงละจิตเข้าไปเกาะความทุกข์เกิดเลยรู้สึกไหมนะเพราะงั้นปู่เป๊รู้เลยว่าเมื่อไร่ไหลนะกระทั่งไหลเข้าข้างหนก็ทุกข์ก็เกิด นะลงไปข้างนอกกับโล่งๆผู้หญิงนะแต่ว่าเพลิดเพลิอนอย่างนั้นเป็นเดรัจฉานนะถ้าลงมานี่ตกนรกเรื่อง อ, นะอ่ะนะถ้าไม่เอาเลยก็เป็นกลางขึ้นมานะพ้นจากการที่จะต้องเวียนขึ้นเวียนลงไปอืมดังๆหน่อยดังๆหน่อยอ่า สติเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะอารมณ์ปัจจุบันนะสัญญามันจำอดีตคนละตัวกันใช่สิสัญญาเ น, ญญานี่ยเป็นหัวโจบเลยนะเป็นตัวแสบสุดๆเลยพอนมีสัญญาแล้วจะต่ อ, อด้วยความปรุงแต่งคือสังขารสังเกตไหมเพราะ ง, งั้นสติไวเลยพอสัญญาทํางานปั๊บอย่างนั่งนั่ ง, งอยู่อะไรผุดขึ้นทางใจรู้ปับ๊บจบเลยไม่ปรุงต่อ แต่แต่ผููเป้อย่าเอาสติตั้งไว้นะไม่ตั้งไว้ให้สติมันเกิดเองเป็นคราวคราวนะมันยังตั้งอยู่หน่อยหน่อยดูออกไหมมันไปตั้งไว้ก่อนเนี่ยมีสติตั้งแล้วก็อสัญญาปุ่นละอ่ะไม่ต่อสังขารหลุดไปเลยแต่ตั้งตัวนี้อยู่ยังตั้งอยู่นะดูออกไหมเอนนอไอนะนนเนี้ยของปลอมนะขนาดจิตเนี้ยของปลอม นะเป็นสติที่ตั้งเอาไว้ก่อนถ้ารู้อย่างนี้ได้ก็ดีแล้วล่ะอ้ะอเก่งนะตัวแค่นี้เห็นไหมยังตั้งอยู่อีกอะ่ะแล้วบุญทวีอ่ะอะไรนะไม่เคยรอดอ ไ, รนะไม่เคยรอ ด, <c oughs> รอดแต่ว่ารอดเหมือนกัน แต่ว่าพอเรา้มอนเข้าไปืไพอมีสติแล้วก็มาอการที่เราไปดูมันมนลเข้าไปตที่ไหลเข้าไปเกาะใช่ไหมหรือไงไม่ถ้าถ้าเห็นอย่างไม่เจตนาเห็นเนี่ยใช้ได้นะถ้าเจตนาจะเห็นเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่เจตนาก็ดีดสิ อ, อยากรู้ไม่ดีแล้วยยอยากรู้นล้วละมันไปเจตนาจะรู้แล้วมันต้องอยากก่อนแล้วมันก็เจตนาอมสร็ปุ๊บก็นรู้สึกที่นสองวาออการที่บอก่เป็นเช่นนี้อรทไเข้าไปเออนะนั้นบุตรีก็ฝึกอย่างนั้นนะนะเมื่อไหร่เผลอเข้าไปเกาะนะบางทีร like ้ายกว่า น, นั้นอีกไม่เผลอเขาเกาะใคยเป็นไหม บาอทีลงามาเกาะอยู่เนี่ย เ, เห็นก้อนเลยเนะนี่เราหัดไปเรื่อยๆอีแรกมันเกาะกันจิตใจของคนในโลกนะมันเข้าไปเกาะอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนเลยบางคนก้อนเล็กบางคนก้อนใหญ่เคยเจอบางคนนะั่เหมือนกับครบตกตำข้าวอะ้ออย่างไหมไปไหนมันก็แบกไอ้ครบอกนี้ไปด้วยกูใหญ่มากเลยป <c oughs> ันน่างสารจริงๆที่ แ, กกแล้วออก็เป็นเพราะว่าเรามีเรื่อง มันก็อเหมือนโมอตถึงอเขาิกแล้วก็โดดเข้าไปหัดใหม่ๆนะคือคนในโลกนี้มันจะไปรวมอยู่เงี้ยไม่ค่อยหลุดออกมาเลยนะแล้วก็ยิ่งสะสมความชั่วไปเรื่อยๆก็จะใหญ่ขึ้นยิ่งโตไปเรื่อยๆแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะั้นมันแบกหนักๆมากเนี่ยมันก็ตกลงนโลกเลยยิ่งหนักได้ที่ นี่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆ เ, เราจะรู้ตรงนี้จะค่อยๆเบาๆนะเบาบางไปเรื่อยๆพวกนี้จะลอยทุบฟองทุกฟองขึ้นสวรรค์ไปเพราะมันเบาแล้วนะนี้เราดูไปเรื่อยๆบางทีจิตเราก็ไหลเข้าไปบางทีจิตก็ถอยออกมาตรงนี้เคยเห็นไหมนะเออไหลเข้าไปบ้างถอยออกมาบ้างเดี๋ยวก็ไหลเข้าไปอีกห้ามไม่ได้ต่อมาเนี่ย ส, สติปัญญามันเกิดะปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่ไหลเข้าไปเนี่ยความทุกข์มันเกิด ดูออกใช่ไหมทุกครั้งที่ไหลเข้าไปความทุกข์มันเกิดพอปัญญาเกิดอีกนี้เนี่ยบางคนจะเริ่มหลงผิดครั้งใหม่ทํายังไงจะไม่ไหลไม่อยากจะไหลเข้าไปอันนี้ก็หลงผิดอีกแล้วนะอย่างงี้ใช้ไม่ได้แต่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยถ้าใจไม่ให้มันใจมันได้เรียนรู้ไปว่าไหลเข้าไปกาะปุกบทุกไหลไปกาะปุกบทุกต่อไปจิตมันรู้มันฉลาดนะมันไม่เข้าไปเองโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องควบคุมไม่ไหลเข้าไปเลยนะใจไม่ไหล งั้นไม่ไหลไปทางตาไม่ไหลไปทางหูไม่ไหลไปไหนอะ่ะเพราะมันไม่อยากหาความทุกข์นะจิตที่เป็นตัวของตัวเองอยู่นี่พอเราจิตเป็นตัวของตัวเองรู้ไปเรื่อยๆโอแหมแสนดีแสนวิเศษดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะเห็นไตรลักษณ์ของจิตอีกนะเห็นไตรลักษณ์ของจิตเอ้ะจิตนี้มันแปรปรวนได้ะนะเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสได้อีกมันจะปล่อยวางจิตหรือบางคนเห็นว่าโอ้จิตนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยทุกข์ทุกขเหมือนแทบจะขาดใจตายเลย นะเหมือนโลกจะแตกเหมือนถูกภูเขาบดที่อยู่เลยนะเหมือนหัวจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆตัวจะเละลงไปทุกมากตัวจิตเนี่ยทุกสุดฉี่นะมันสลายตัวออกไปเลยนะคราวนี้จะว่างไม่มีตัวที่จะตั้งขึ้นม า, าใจว่างๆข้างในก็ว่างแล้วข้างนอกก็ว่างว่างเหมือนกันหมดเลยนั่นเรียกมหาสุญญาตานี่ของเราไม่มีมหาสุญญตาสังเกตไหมโลกข้างนอกว่างแต่ใจเราไม่ว่าง ดูออกไหมโลกข้างนอกว่างแต่ใจเราไม่ว่างโลกข้างนอกไม่มีน้ำหนักแต่ใจเรามีน้ำหนักนะรู้ทันเรื่อยๆเลยน้ำหนักที่เกิดจากหลงปรุงแต่งหลงเข้าไปยึดถือนะนี่สติปัญญากล้าๆขึน้นจะถอดถอนตัเงเลิกเลิกไปแต่งเงั้นบุญทวีดูไปกันเละดูไปเรื่อยๆปัญญามีหลายระดับนะอย่างปัญญาเบื้องต้นจะรู้ว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามา เช่นความสุขความทุกข์มาก็รู้กุศลนากุศลมาก็รู้นี่ปัญญาเบื้องต้นนะยังเห็นอีกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นการที่เห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ผ่านไปเป็นปัญญาเบื้องต้นพระโสดาบันเห็นแค่นี้เองเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถึงบอกว่าปัญญาเบื้องต้นแต่ว่าจิตใจเป็นปกติบริบูรณ์แล้วนี่มีศีลบริบูรณ์ สมาธิมีน้อยเพราะจิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตชอบไหลจิตไหลลงไปเรื่อยๆรือนยะเรียกว่ามีสมาธิเล็กน้อยพอฝึกมากเข้าจิตเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นนะเลื่อนระดับไปมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยต่อมามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ก็คือมันมีปัญญานะรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ไหลเข้าไปยึดถือเมื่อนั้นจะทุกข์เมื่อนั้นจิตไม่ไหลเข้าไปอีกแล้ว นะจิตทรงตัวอยู่นี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหลเข้าไปเกาะ อ, อะไรข้างไหนโดยที่ไม่ได้บังคับไม่ต้องควบคุมเลยนะนี่มีปัญญาระดับกลางแล้รู้ว่าถ้าไหลเข้าไปแล้วจะทุกข์นี่เป็นปัญญาชั้นกลางจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมานะรู้ไปเรื่อยๆเลยอ้าวไอ้ตัวนี้ตัวดีตัววิเศษนี่แหละตัวทุกข์นี่ปัญญาขั้นสูงนะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเลยว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันท์ทั้งห้าเป็นทุกข์กายกระใจทั้งนั้นตัวทุกข์ ดูยากที่สุดว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ยิ่งใจนี่ดูยากว่าจะเป็นตัวทุกข์นะเรามากักจะคิดว่าใจที่ไปกระทบอารมณ์ไม่ดีถึงจะทุกข์ใจที่มีทุกขเวทนาถึงจะทุกขถ้าใจมีสุ ข, ขเวทนาไม่ทุกขเลยวันไดสติปัญญาแก่กล้าเรียกปัญญาบริบูรณ์เห็นไหมจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะก็จะปล่อยวางจิต เน้นการปฏิบัติทางศาสนาพุทธนะมีเหตุมีผลรับกันไปหมดเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่นต้องเรียนค่อยๆเรียนไปอย่างนี้หลงแล้วนะยังไม่เลิกหลงตั้มไหม <c oughs> อยา่าพยายามแก้ม <c oughs> ันนะเชิญเนกเนี่ยดูเขาลืมตัวเองไหมเอมออืม ทำอะไรไม่ได้ถูกแล้วไม่เรียนเพื่อจะทำอะไรกับมันเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันมีนของที่บังคับไม่ได้นะนกดูไปสิมันทำงานได้ตามใจชอบของมันเลยนะเออบังคับไม่ได้เต้ารู้ลงไปเลยและนี้สุดเห็นเลยว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้เลยละ่ะออต้องอย่างนี้นะตะ ก, กี้หลงตั้งยาวแล้วนะหลงมานานเลย โบเป็นไงโบวุฒหายไปไหนแล้ววุฒิเวลาฟังธรรมจะไม่ไปเดินจงกรมมันผิดหน้าที่หรือเปล่า <c oughs> เดินจงกรมไปเดินที่บ้านก็ได้ <c oughs> ไงรู้เรื่องอยางอย่าคิดมากนะคิดมากยากนานคิดมากแล้วยากนาน ไม่คิดมากนะสังเกตความรู้สึกในใจของเราไปเรื่อยๆความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้กังหลงเลยสังเกตไหมว่าหลงแล้วไปทําอะไรหลงแล้วก็ไปทํางานดูออกไหมหลงแล้วเข้าไปปรุงแต่งคําว่านิพพ า, านนะิพพาน่ะมีชื่อนึงว่าวิสังขารไม่ปรุงแต่งงั้นจะไปนั่งแต่งให้ดีแต่งให้วิเศษยังไงก็ไม่รู้จักนิพพาน จะมีสติมีปัญญารู้ทันจิตใจหลงไหลเข้าไปปรุงแต่งรีบรู้ไวๆนะค่อยมีโอกาสนะคุณจุนันใจลอยเนาะถือว่ามีเทพฝังน <c oughs> ะคุณกุลีฟร น, นะรู้สึกไปใจไหลวับแวบก็รู้ไปลำพงเป็นไงลำพงเอออย่าไปติดนะ แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรสมพงษ์มองเห็นไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรหรอกคือสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะถ้าเรารู้ทันเสภาวะกระทั่งดีพิเศษเลยเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันนะก็มีปัญหาละนะนะใจมันหนีไปดีนะฝึกได้เก่งผมเป็นผู้นำครอบตัว นี่นายไปสอนลูกได้ฝึกแล้วมีความสุขเด็กๆนั้นลำบากมากเลยของหลอกลวงมันเยอะเด็กบางคนมันไม่เปลี่ยนหนังสือล้วเล่นแต่เกมถูกหลอกเด็กนี้ด้วยนะเนี่ยทําเล่นเกมเลิกเรื่องเล่นน้อยลงปะนู่นทั้งหลังสันหน้าใหญ่บอกไม่น้อย พี่น้องตระกูล น, นี้ล้วไม่สามารถขีกันหรอกใครทับถมกันแล้วบิวเรียบร้อยขึ้นไหมเจ้าช่วยเหมือนเดิมไหมเขาไม่มีพี่แบบกลับตัวได้กลับใจนะคนทำผิดกลับใจเราก็อาภัยให้เขาบอยว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่นะเขาจะแต่งด้วยส้อย เขาจะแต่งด้วยหรือเปล่า